เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูปหนึสมัยนั้นพวกภิกษุและพวกภิกษุณีหลายรูปจะเดินทางไกลาจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวัตถีระหว่างทางมีแม่น้ำที่ต้องข้ามครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าพวกดิฉันขอข้ามไปพร้อมกับพระคุณเจ้าทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลาย การชิญชวนภิกษุณีโดยสารเรือลําเดียวกันไม่สมควรพวกเธอจะข้ามไปก่อนหรือพวกเราจะข้ามไปก่อนภิกษุณีทั้งหลายตอบว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นบุรุษผู้ล้ำเลิศนิมนต์ข้ามไปก่อนเถิดเจ้าข้าครั้งนั้นเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นข้ามไปภายหลังพวกโจรจึงปล้นและทําร้ายในระหว่างทางทีนั้นครั้นภิกษุณีเหล่านั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีจึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุีเหล่านั้นจึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ